ใครได้ไปรกับเราบางทาเราไปแค่ไหนคนเป็นเหมือนดึงนา กำลังจะบอกกันว่าคนไปชนทุกวันจริงๆล้วไปบ้านมาแล้วที่เดลีไหมาหมดทางสาวกและของปฏิจมาบันหลวเต็นเตตอนนี้ไปอุบลอยู่วัดหลวมยใครเต็นเต็ม ถ้านม้ใครเต้นก็หาใครมาเต้นจะได้ครบเต้นๆอันนี้ไม่เต้นไม่เต้นกันเลยก็เป็นกรณีศึกษาเนี่ยมองมอีกมุมหนึ่งมามุมกับอาธิเยตตกับคนตัวไปที่แก่แก่แ ก, ก่ตาย ในทางธรรมดาโดนการชีวิตแต่ว่าคนทั่วไปต่อให้เป็นถ้าเราจะมากระสัคิดว่าคนทั่วไปก็จะจำได้ที่ปีเพราะอันนั้นคือชีวิตจริงของพวกเราเหมือนพวกเรารมหมดละหมายใจแล้ว กลาเป็นลกูกเป็นหลานญาติพี่น้องเพื่อนพ้องมีใครที่จำเราได้สักกี่ปีถ้าเป็นลูกหลานก็ปีใหม่ปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยสงการก็จะนึกถึงเราได้ปีละครั้งสองครั้ง3าครั้งเด็มที่ อีกสาม้อกว่าันว็ไย์นึกถึงเรานะที่เร า, มาเมื่อถึงประทารที่เราไปไหว้ก็บบรราสารีปทิศเหตุการณ์มันผ่านมาสองพันกว่าปีมาแล้วทุกคนยายเมราร้ลึกนึกถึงว่าทำไมปนะนะงานสิทยาศาสตรพวกเราทุกคนคือคุณของรัฒนธรรไ คุณของหุ่นเช่ามาทำปริยส่งนนี้เป็นหลักเป็นอนุสติที่เราตั้งรวามลึกนึกถึงในชีวิตประจำวันเพราะว่าเหตุที่ผู้เราอย่างลึกหรือผู้คนที่ไปอย่างลึกนึจริงเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้สมบูรณ์แล้วด้วยคุณของวัฒนธรรมของเองให้คำตอบ ส่วนบุคคลที่ห่างไกลเดี๋ยวพันธนาใจถ้า ม, มีคุณสมบัติคนพวกนั้นโลกเขาก็ไม่นึกถึงอันนี้คืออะความเป็นจริงพระชัช น, นชื่อเอาพวกเราอุบาสกอุบาสิกาความหมายเป็นภาษาไทยเรา ผู้เข้าไปนั่งกายพรารถนาใจแต่จึงเรียกว่าอวายโศุบาสิขผู้หญิงผู้ชายเป็นับถือพุทธเราด้วยการปฏิญาณตนเป็นพุทธะมามกะการเข้าถึงพุทธะมามกะการเข้าถึงพระรตนาใจการเข้าถึงก็คือการเข้าใกล้เราเข้าไปถึงเข้าใกล้ๆอย่างดีเหมือนวายผสมรมจารึกิธา คนที่เข้าใกล้พระทานมากที่สุดคือพระนักบวชคนทั่วไปเขาดูใกลๆสิบเมตรหรสิบเมตรมองไม่เห็นอะไรเหมือนก็ชื่อจราชื่อจราตระกาวบาราธนาใจมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นส่วนที่มีพระทั้งใจเป็นหลักหรือพระทาไมบอกมีพระตั้ใจเป็นหลังเพราะว่า ศา ส, สนาของเราคนที่จีบทเป็นพระต้องจีบทเป็นแนนก่อนคําว่าจีบทเป็นแนนก็คือนับถือพระรัตนนาฏไปเงไม่เกีวว่าศีลสิเศียน้เป็นข้อที่ต้องปฏิบัติแต่ตัวแก่นหลักที่จริงกคือการระอ่อนพระรัตนนาฏไปครบสามครั้งก็เรียกว่าเป็นสมาเนนเนี่ยเขาเรีว่าการีบทเนนเขาเรียกว่าบท เ, เบนน ส่วนบทพระนั้นต้องได้รับการกันกรองตรวจสอบสอบถามข้างต่อหน้าได้แล้วตั้งต่อหน้าคือมนะุกนาสึกประลรุกุไวจาระถ้าออกไปถามข้างนอกที่เราเห็นไปถามเรื่องอัตรายจะกระทำเรเป็นหนี้เป็นสินไหมเป็นความเงินกับจนไหมพอไม่ละพยยิษะไหมเป็นโรครายแรงไหมนั่นนี้เป็นต้นันอย่าง กตบบไม่มีถึงเข้ามาทำการส่งอีกครั้งเพื่อสวดสอบถามสุนาทุมเมิปันเตสังคมส่งจงฟังมข้าพเจ้าแล้วสวเดเจติแลกฐาถามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไม่มีผู้ใดคัดขาน ครั้งที่สมจบลงก็ถือเป็นพระโดยสมมติอันนี้คหลักการใ น, น, นวิธีการแต่ตรงข้ามาในขณะที่สวดทางก็อยูมมีพระเรียวยัโดโยมในหนันทักขึ้นมาทูองขึ้นมาว่าเพราะนี้เป็นนี่เป็นสิ่งที่ลงตรงหนังจะไม่ใช่ใครเลยอันนี้เป็นฆ่าคนตายมากยันนี้เป็นควาไม่ได้ เห็นวาการฆ่าครับคนขามาเป็นพระของเราในขั้นตอนนี้จริงละเอียดมันยิ่งกว่าประชาติปไตยพราษทุกเสียงต้องเห็นด้วยประชาติปไตยเป็นเสียงส่วนใหญ่อันนี้คือหลักการที่เราใช้กันในทางผู้สอนนะอยากให้พวกเราเข้าใจแล้วก็มั่นคงในขั้นตอนใช้ โดยเพอาะยิ่งดที่เราทําเป็นกิจวัตรประจำวันในทุกวันทุกครั้งเรียไวายพาสุดเก็คืออันนี้แหละหลักตัวของการเพราะในชีวิตประจำวันจริงๆนี่ยอยพวกเรามีสิ่งเหล่านี้เข้ามาสุดเกี่ยวข้องในการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเราพราะตอนในศึกษาเราไปเห็นกันแล้วว่า สำหรับคนที่ปฏิปัติปฏิปัติชอบเป็นคนดีต่อให้ภาษาเราง่ายๆตายมาเป็นพันๆปีเขาก็ยังจำได้ต้องขันข้ามกับคนที่ราชาธิปัตย์จักรพรรดิในอดีตยิ่งใหญ่มากๆเขาเร็วกว่าข้ามทวีกไปเลยก็ไม่มีใครไปกลับไปวายมันสนใจอันเด็ดๆหลายคน ที่เป็นที่ยึดของเราในประวัติศาสตร์เรื่องบุค้ลในประวัติศาสตร์นี่เป็นเครื่องบ่งชีให้พวกเราเห็นว่าความดีเป็นเป้าหมายหลักในการเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ของพวกเราแล้วก็จะ่าลืมว่าการงชีเยือยู่ การเป็นคนการเป็นมนุษย์ของเราทุกคนอยู่ได้เต็มทีท่โดยเฉลีย่ยไม่เกิน80ปีโดยปกระหวานทีนี้เราโดูชีวิตจริงของเราวัง80ปีเราทำอะไรบ้าง0ปีแรกหมดเวลาไปกับการศึกษาหมดไปแล้ว0ปีไม่ต้องทำอะไรไม่ได้คิดอะไร มีคนสพอร์ตสนับสนอนอุดหนุนเพื่อมีความรู้ยี่สิบปีกลางยี่สิบถึงสี่สิบ้อมาหากินทำงานหาเงิน ป, นนประกอบธุรกิจเเลี้ยงตัวเองเพื่อแปลสภาพเป็นปัจจัยสิ่ใครมีความรู้ความสามารถต้นทนดีการเรียนดีการศาดีก็ ม, มีโอกาสในสังคมเยอะอว่าเพื่อนเขา สําหรับคนนี้ไม่เรียนไม่มีการศึกษาโอ ก, กาสก็จะน้อยกว่าแล้วก็เป็นคนกลมใหญ่ในประเทศนี้อันนี้คือยี่สิบปีกลางยี่สิบปีสุดท้ายก่อนที่เขาจะปดระวางคือสี่สิบถึงหกสิบช่วงการตั้งเนื้อตั้งตั ว, วหลังถึงนเบาช่วงนี้ช่วงไตั้งเนื้อตั้งตัวสังเนื้อสั้งตัว ถ้าสี่สิบปีไปแล้วยังต่างหลักไม่ได้ยากอฮ้ยหลังเกหกสิบเขาก็ไม่ใช้งานแล้วจริงขนาดไหนต้องเป็นด็อกเตอร์ด็อกตาเขาไม่ใช้งานแล้ ว, our, our, แ, ลวแล้วทํำยังไงไปยี่สิบปีหลังทําอะไรเลี้ยงลูกเลี้ยงหล้านนั่งเหงาคนเดียวจะเป็นผลงางก็อยู่กับหมาอยู่กับแมวเป็นเพื่อน จมหมาไปจูงแมวเลีเ้ยงมาเลี้ยงแมวไปอยู่กันสองคนตายยายถ้าคนหนึ่งตายไปไปอยู่คนเดียวเหงาไม่มีที่พึ่งมันจะเป็นยังไงนะก็นั้นหลังจากนั้นหมดลมหายใจแล้วมันหนักเก่อไเลยไม่มีทิศทางเลยค น, นยทั้งยาก ร, รูาเอาชีวิตจริงจริงใ้ชีวิตประจำมันเชาว เที่ยงทำมันก็เคยชีวิตของเราล้วนะ่ยช่วงเช้ามันเป็นช่วงที่เร า, าเริ่เตืียตัวกอก็คือวัยยนะี่สิบปีนี่เกรียมพร้อมทุกอย่างตังพระที่ขึ้นมาแล้วเริ่มเตรียมตัวแล้วแสงสว่างขึ้นมาก็คือชีวิตเราเราตันอย่างนี้ในชีวิตประจำวันก็เที่ยง เป็นวัยการคนละบางคนก็ต้องพักหลังเที่ยงไปบ่ายร้อยหลังเกือสี่สิบแล้วเย็นๆลงไปมือคําหมดละหกสิบปีที่เหลือรอเวลาแห่งความมืดง่ยจัหลังจากหกโมงแล้วละหมดละเป็นชีวิตหลัง ความมืดเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรก็แปลว่าหลังจากกินข้าวเย็นปลาอาหารเย็นแล้วทุ่มสองทุ่มสมทุ่มหลังจากนั้นก็หมดสภาพแล้วคือไม่ตายก็เหมือนกับตายเพราะว่าตายก็ทําอะไรไม่ได้โอ้โหทำอะไรไม่ได้ตายทาอะไรไม่ไ ด, ไรไได้ร่างกายทุกระดับทำอะไรไม่ได้เดือดเป็นลมหายใจเท่านั้ง ที่บ่งบอกว่าชีวิตคือจะมีีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่แต่หลังจากนั้นความดีความไม่ดีทําอะไรไม่ได้นั่นก็คือชีวิตหลังความตายของพวกเราหลังจากแปดสิปีไปแล้วก็เหมือนกับนี้นคือไปเสวย อ, อย่างเดียวคือจิตออกจากร่างไปแล้วเนี่ยไปเสวยเป็นโลกของความเมืดเหมือมนก็นคือที่พวกเราเมื่อชีวิตจริงของเราเนั่นแหละวันนั้นถ้าเราปล่อยให้ชีวิตเมือดอยความงาม หลังจากหกสิบปีไปแล้วทุกอย่างมันไม่มีอะไรเพิ่มไม่เป็นทางการทางกายภาพรวปร่ปางกายสังขารหูตาจมกูกอื่นๆมันก็ลดน้อยถอยลงไปเสื่อมโทรมชำรุดเร็วชะลานเองชำรุดหมดทุกอย่างรูปตัวตนเราเขามันไม่แข็งแรงขึ้นดีขึ้นทีนี้เราจะอยู่กันอย่งไง ก็หลังจากนั้นไปไม่เคยนึกถึงเราได้เห็นนะแต่นี่นคือบทเรียนมามาดูครูบาอาจารย์เราหลา ย, ลายองค์หลายท่านอย่างเรียนรายเต้นศาลาตอนนั้นดันนี้ก็ล้นโ้นจากผู้เราไปแล้วคือชีวิตลหลังเราตายแต่พวกเราก็ยังเลิกนึกถึงเพราะนั้นเราควรจะเอาเป็นตัวอย่างไว้ชีวิตเรา สี่สิบห้าสิบแล้วนี่มันมันช่วงเวลาเย็นแล้วนะพอเย็นบ่ค่ําแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะก็จิตออกจากร่าไปเวลาเรานอนหลับมันไม่ออกจากนาแค้เมันก็ออกจาก่าเพราะมันไม่มีสติแล้วทําอะไรไม่ได้แนละ้วก็เหลือแต่ความฝันชีวิตเหลือแต่ความฝันเพราะฉนั้นตัวความฝันนั่นแหละเรียกว่าผวาังคือจิตจิตที่มันก่อพก่อชาติที่ไปข้างหน้า มันก็อยู่ตรงนั้นทีนี้ทั้งวันเช้ากลางวันค่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นกับตัวเราเองเลยคิดว่าจะมีอะไรติดตัวติดจิตเราไปก็แปลว่าขาดทุนขาดทุนก็แปลว่าสิ่งที่เราหามาทั้งชีวิตที่เราเข้าใจว่าเราได้เงินทองของมีค่าหนะ้าที่การงานเศรษฐก มี่ประมาแล้วช่วงนี้เวลาหกสิบปีที่ยังมีชีวิตอยู่สุดท้ายเราไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่เราคิดเราจะได้ก็ไม่ได้อะไรแล้วเจ้าอะไรติดตัวติดจิตไปหนะมดลมหายใจแล้วนึกอะไรไม่ได้สักอย่างนึกไม่ได้คืออนุสติเพราะนั้นจากหาอนุสตินึกบริจากอะไรบ้างนึกไม่ออกีลานุสติ วันไหนมีสิ่งนังนึกไม่ออกพูดยาาประธรรมประสงค์เป็นไทรเป็นอย่างนีง้นึกไม่ออกเนมันสำคัญนะนัญนการปฏิบัติธรรมให้พวกเราอย่างน้อยก่อนที่มันไม่มีสติคือหลับนั่นแหละให้เรานึกก่อนนึกถึงคนของอุติ้าคนของประธรรมคนของอันยาสองคนของพ่อแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีรรา ไม่มีทัศนคตินี้ไนดะ้แต่พวกนี้บุคคลทั้งหมดแต่ตั้งใจงงดดตั้งจิตว่าจิตของเราต้องอยู่กับที่พึ่งดูคนดีเนี่ยอะไรว่าคิดดีก่อนหลับก่อ น, นอนก็คิดดีตรงกลางข้ามก่นหลับก่อนนอนมันสรารวจน์วุ่วายทั้งวันยังคิดไม่ออกยังมีแตความริตกกังวลกับเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายแล้่มันจะเกิดอะไรขึ้น มันก็สะสมมันก็จําของพวกนี้ไปเพราฉนั้นการปฏิบัติ ก, ก็คือต้องการหาจิตของเราอย่างน้อยที่สุดจําของดีจิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่สอนเองไม่มีใครสอนเราได้ไม่มีใครสอนจิตเราได้เราเองเราต้องสอนต้องให้บทเรียนการฝึกนเบื้องต้ น, น, น, น, นพวกเราพวกเราจะรู้ก่อไก่ก็ใครอีกคีอเงต้นสามสี่ห้า ต้องเราการเรียนรู้ก็ต้องมีคนสอนถึงจะฉลาดได้จิตก็เหมือนกันถ้าเราไม่สอนเขาเลยปล่อยปล่ละเลยไม่ให้ เ, เรียนไม่ให้ความรู้ไม่อบรมมาคุณย์ยังไงแล้วจิตมันจะฉลาดได้ยังไงจิตมันเต็มไปด้วยความดีได้ยังไงการกระยาฝังพวกเราทุกคนว่ชีวิตสีช่ช่วงวัย สมมติว่าร้อยปีแพงไหมให้อยู่ร้อยปีแล้วกันก็ยี่สิบห้าปียี่ห้าปียี่ปีก็เป็นร้อยปีก็เป็นสี่ส่วนทีนี้ถ้าเราแบ่งอย่างนี้ได้เราเรามาแชรกับชีวิตทุกความเนจริงการบริหารชีวิตก็คือขึ้นร้อยบาทก็ควรจะเป็นสี่ส่วนอย่างนี้ยส่วนแรกเอาบอกว่า มีใช้ในชีวิตประจำวันคือมันต้องใช้ต้องอยู่ต้องกินจับจ่ายใช้สอย 25% 25% หลังมันเป็นเรื่องรกอากได้ต้องไปลงทุนถ้าไม่ลงทุนก็ไม่มไปอรงเงาะเงินมา25ปีหลังก็คือเขาเียว่าใช้หนี้เก่า 25% หลังเนี่ยก็คือไปฝังดินคือเก็บ ไปใช้ครางหน้าครบสี่ส่วนแล้วอันนี้แต่ละส่วนคือมีวินัยมีวิในัยในการใช้ชัจดรดิงเอาไปฝังดินก็คืออะไรทำบุญเพราะว่าเจ็ดสิบ้าเปอร์เซ็นที่เราใช้ใช้ไปมันไม่ได้อะไรมาชีวิตเหลือยี่สบห้าเปอร์เซ็นยี่บห้าเอซ็นตอนนั้นมันจะเป็นอารยยะทรัพย์คือทรัพย์ที่เราต้องไปใช้จ่ายครังหน้า ส่วนโภคทรัพย์หรือโลเกียทรัพย์ที่มีอยู่75เปอร์เซ็นตทำอะไรไม่ได้มันกลายไปของคนอื่นหมดไม่ใช่ของเรานะกลายเป็นของลูกของหลานเอาไว้ให้เขาเยี่ยนกันไว้เขาฆ่ากันตายแต่นี้25เปอร์เซ็นต์เราก็ยังไม่ทำอะไรเลยมัวแต่กเก็บแล้วก็หามาให้หลูกให้หลานสุดท้ายตัวเองไม่ได้อะไร ตัวที่หามานก็ไม่ไอะไรเลยพนักนก็ฝากพวกเราทุกคนว่าการบริหารจัดการชีวิตเราเริ่มคิดตั้งแต่ปัจบันนี้เป็นต้นไปว่าตอนนี้เลขห้าเลขหก 6, เลขเจ็ดเลขแปดแล้วก็คือมันกำลังจะมืดถ้าเป็นกลางวันก็จะเริ่มจู่กลา ง, ค, ลนะางไไคืนแล้วนะเพราะมืดกับมองอะไรไม่เห็นแล้วอันนัน้คือชีวิตข้ามาซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปไหน ไปยังไงอย่างไรก็ตามมันก็อยู่กับปัจจุบันครั้งหน้าจะเป็นยังไงก็อยู่ปัจจุบันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอยู่กับวันนี้ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับวันนี้เดี๋ยวนี้ให้ทุกอย่างเป็นบทเรียนในชีวิตประจำวันการคิดแบบอย่างนี้ในชีวิตประจำวันมันก็จะเป็นประโยชน์ทําให้เราตื่นตัวทําให้เรามีสติ ถ้าเรานึกได้เรียกว่าเป็นคนไม่ประมาณมทความไม่ประมาณเกิดขึ้นแล้วกนะ็แสดงว่าคนนั้นมีสติสัมปชัญญะใครมีสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดคนนั้นก็ได้เกยบแต่ว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีประเภทเดียวคือาารพระอาาริยพระอรหันต์เท่านั้นปุถุชนทั่วไปที่มีสติสมบูรณ์ไม่มีอาจจะมีชั่วครังชั่วคราวในขณะที่ สติสมาธิปัญญาครบสิ้นสมาธิปัญญาครบบริบูรณ์สมบูรณ์ในขณะนั้นถือว่ามีสติครบจัวแต่ออกจากการไปกับเหมือนเดิมเว้นพวกปฏิบัติ ด, เดีปเป๋พระญาอภารรขนเท่านั้นทีมีสติสมัมปัญญะสมบูรณ์ป่านนี้คือหลักคิดหลักธรรมฝากผู้เราทุกคนได้รับกประมาณว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงไหน ถ้เป็นเด็กช่วงเช้าอยู่อย่างมันสนใจอะไรมีที่เลี้ยงอย่างเดียวไม่ได้คิดอย่างว่าเราไวกลางคนก็นเที่ยงแล้วนะถ้าไปบ้านปลายลเกษียณแล้วก็คืออันนี้มันบ่ายมันค่าแล้วนะอีกหน่อยเราจะได้หลับแล้วนะพอหลับไปแล้วเนงไปสบายอย่างเดียวมันเลือที่สีตัวคือจิตคือเวทนาสัญญาะการบินอย่างสุดโรคเลย ทำอะไรไม่ได้แล้ะพอหลังจากนั่นกีเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือกระบวนการชีวิตในชื่อตประจำวันถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มากรบคิดในชีวิตประจำวันเป็นกระบวนการชีวิตในแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเราจะได้ไม่ประมาทจะได้เป็นมีสติจะได้ขยันทำความดีขยันดูตัวเองอย่าไปขยันดูคนอื่นเราดูคนอื่นมาเยอะแล้ว ห้าสิบหกสิบปีอยู่คนอื่นเห็นคนอื่นตลอดแต่ตัวเองเราเห็นเมื่อรกันปฏิบติทา ร, รมการคิดนะไรต้องการให้เราเห็นตัวเราเองเห็นอะไรเห็นว่าตัวเองดีไม่ดีดีมันจะได้ทําเพิ่มขึ้นไม่ดีจะได้แก้ไขปรปับปรุงคือลด ล, ละเลิกมันก็จะเป็นประโยชน์สนาวการเกิดแก่จะตายชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งชาติหนึ่งไม่งั้นก็จะเสียชาติ ภาษีชาติเนี่ยลายแรงนะเส้อทีเรืองกันเกิดเพราะว่ากว่าจะได้เกิดมาเป็นอย่างพวกเราเนี่ยคือเกิดเป็นคนนะพูดง่ายมันไม่ใช่ง่ายๆมันไม่ใช่ว่าชาติชาหน้าจะเกิดเป็นคนอื่มันจะได้เป็นคนอื่หรือเปล่ายังไม่รู้ไม่มีหลักประกันอะไรอันนี้ก็เฝลาพวกเราทุกคนจะได้เป็นผู้มีประมาณในชีวิตในวัยในคุมค่าของการเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ อันนี้คือสารธรรมสาหรับพวกเราสำหรับชาววันพระพันสินอันนี้ขอความดีที่พวกเราทำในวันนี้จะมีผลแก่มัพรพบุรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราต้องหลายได้กระทำบางเป็นในวันนี้